สังคาทิเศษสิกขาบทที่8เพราะภิกษุณีผู้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรบางเรื่องโกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้ง